ทุณทวสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบคะมาพบกับอกาสอันดีกันอีกแล้วนะคะในรายการสันสนีสนทนที่พวกเราจะได้สนทนาธรรมกับพระมหาภัยบุญอภิปุณโนผู้อำนวยการหลักสูตรริเเรนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่ท่านถึงจะอยู่ไกลเพียงใดก็ยังทำให้ผู้ที่มีโอกาสฟังรายการนี้เสมือนหนึ่งว่าได้มีส่วนในการไปเรียนรู้การปฏิบัติ แล้วก็ยังได้ปฏิบัติพร้อมๆกันในหมู่ผู้ที่ฟังรายการต่างถิ่นต่างที่อยู่ใกล้อยู่ไกลที่กำลังฟังรายการนี้อยู่ในช่วงต้นของรายการเลยนะคะดิฉันสัรสนีนาภงเป็นผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ตอนนี้ท่านอาจารย์ก็พร้อมที่จะพบกับทุกท่านแล้วคะ่ะนมำสการาค่านคะเชพานท่านเพิ่งเสร็จจากคอสปฏบิบัติธรรมสาหรับเดือนสิงหาคมสิงหาคมใช่ค่ะ เป็นคอสของผู้เก่าใช่ไหมคะเป็นคอสของผู้ที่เคยผ่านการหลีกเล่นปฏิบัติที่วัดปา่าดอนไหนโศกมาบ้างแล้วค่ะแล้วจากการที่เป็นผู้ที่ผ่านการปฏิบัติแล้วได้พบประสบการณ์อย่างไรในหมู่ท่านทั้งหลายนั้นคะความแตกต่างระหว่างคอส ท, ทั่วไปหมายถึงว่าที่วัดปา่าดอนไหนโศกจัดเนี่ยน ะ, ะเพราะว่าปีหนึ่งเราจัด12ครั้งเดือนละครั้งแล้วก็จะมีเฉพาะของเดือนสิงหาเนี่ยที่จะ นัดมาเฉพาะผู้เล็กรุนเก่าแต่คอร์สอื่นก็จะเปิดทั่วไปใหม่ก็ได้เก่าก็ได้มาก็ได้แต่สัดส่วนระหว่างใหม่กับเก่าเนี่ยคอร์สอื่นๆในคนใหม่จะมากกว่าประมาณสัก2ในสามแคนเก่าจะมาสัก1ใน3แต่สําหรับคอร์สคนเก่าเนี่ยก็จะเป็นคนเก่าเต็มเลยแต่จะมีคนใหม่หลงมาบ้างแค่ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ความแตกต่างก็คือว่าความตั้งใจในการปฏิบัติแล้วก็ครูทุกคนแบบว่านั่งกันนิ่งมาก แล้วก็มีความอดทนสูงมีความตั้งใจมากทําให้บรรยากาศในการปฏิบัตินี้ใหม่นมันมันดีนะคือถ้าบางทีในคอร์สทั่วไปบางทีคนใหม่บางทีทําผิดกฎบ้างแอบคุยบ้างหรือว่าแบบไม่ตั้งใจบ้างอนี้เราก็จะจะเห็นได้แต่ในแต่เมื่อคนที่เขาตั้งใจดีๆทั้งหมดมารวมกันเนี่ยทำให้มันเหมือนกับมีพลังพลังในการปฏิบัติเนี่ยมันมันสูงค่ะท่านก็เพิ่งเสร็จมาใหม่ๆหมาดๆเลยนะคะท่านฟัง เวลาของการมีคอร์สท่านพิบูรณ์จะเหนื่อยสุดๆคะ่ะคือทุกเวลานาทีทุ่มเทให้กับการที่จะสอนเรียกว่าผู้ปฏิบัติปฏิบัติเพียงใดท่านพิบูรณ์ก็ปฏิบัติไปพร้อมๆเขาเกือบทั้งหมด 90% ถึงไหมคะท่านคะ 90% ้าสิรใช่ใช่แล <c oughs> ้วก็กต้องพานั่งสมาธิอันนี้อาตมาคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่หนักเวลาพักอาตมาก็จะมีอยู่แต่ว่าเวลาไปนั่งสมาธิเนี่ย ก็ได้ได้พลังสมาธิเป็นเรื่องดีแต่มาก็ยินดีที่จะทำอันนี้มันเป็นเรื่องสบายใจที่ได้พานั่งสมาธิทำค่ะได้ยินว่ามีการนั่งกันข้ามวันข้ามคืนด้วย่ า, านนใช่มีข้อชุ ด, ดงค์วัดที่เรียกว่าถืออิริยาบถสามคือเดินยืนนั่งเว้นอิริยาบถนอนอยู่สองคืนสองคืนที่เราทำกันไม่ไม่นอนกันเลยค่ะ คือหมายความว่าไม่อยู่ในอริยบทนอนเพราะฉะนั้นอาจจะ<อ>บางคนอาจจะหลับบางคนอาจจะหลับแบบหลับในอย่างเงี้ยนะแต่ก็นั่งหลับ อ, อย่างเ<อ>งี้ยอย่างไรยังได้กําลังความเพียรอ่ะว่าไปแ ล, แล้วสบายกันดีอยู่นะคะหลังจากที่ไม่มีอริยาบทที่สําคัญอ้วยด้วยส่วนตัวของธรรมาเองคือในช่วงทํามันอาจจะเหนื่อยบ้างแต่พอเลิกเนี่ยก็เเดีกว่า ดีกว่า ท, วทั่วไปดีกว่าคอสปกติด้วยซ้ำเพราะว่าคอสปกติเนี่ยพอเลิกเสร็จแล้วยังเหนื่อยบางทีต้องนอนสองวันถึงจะหายหายเหนื่อยแต่ว่าในคอสคนเก่าเนี่ยจะมา ก, กับไม่เหนื่อยเท่ากลับไม่เหนื่อยเท่าเพราะว่าอาจจะเรื่องของสมาธิที่เราได้นั่งเต็มที่พลังของพวกผู้ปฏิบัติที่มีทําให้ถึงแม้ว่ า, าจะอยู่ในอริบทที่จํากัดบ้างแต่ว่าการพักผ่อนเนี่ยมันคือพักผ่อนในสมาธิค่ะ ท่านคะทีนี้ท่านฟังบางท่านอาจจะฟังรายการที่อยู่เป็นประจําเลยนะคะ mm hmm. พบกับท่านเพบบ็ญบูลวันไหนก็จะต้องปฏิบัติธรรมตามท่านอยู่เสมอเสมอพอไปสมัครอย่างเป็นระบบที่วัดตาดรหายโศกนี่ถือโอกาสพัสชั้นพัสดคอร์สเข้าไปคอร์สผู้เก่าเลยได้ไหมคะถึงแม้ว่าจะไปครั้งแรกเออจะจะไหวไหมอันนี้ต้องถามก่อน <laughs> เอพราะว่าเขาก็จะปฏิบัติกันอย่างตั้งใจมาก เราก็บรรยากาศของการปฏิบัติก็จะจะเข้มข้นคาว่าเข้มข้นเนี่ยคือหมายความว่าเขาก็จะตั้งใจกันเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราบางทีอาจจะทําไม่ถูกกฎอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการลบกวนเขาตันี้ก็ก็ต้องดูเป็นกรณีไปอย่างบางคนที่อนุ ญ, ญาตให้มาเนี่ยเพราะว่าเขาเข้ามาช่วงอื่นไม่ได้เลยต้องมาช่วงนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นข้อยัเว้นในบางกรณีค่ะงั้นก็ถามเผื่อๆไปนะคะแต่ว่ า, าจะ ได้ไปที่นู่นพาสชั้นหรือไม่อย่างไรแต่ที่นี่ท่านอยู่ตรงนี้แล้วเตรียมตัวให้ดีเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ท่านพะบูลน์ได้เมตตานนำพวกเราปฏิบัติไปพร้อมกันเหมือนเช่นทุกวันนะคะกราวอาราธนาท่านเลยค่ะในการที่จะมาปฏิบัติธรรมเราเริ่มจากการที่เราตั้งสติขึ้นน้นประวั ง, งจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้คำว่สตินั้นหมายถึงการระลึกได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเสา นั่นที่เป็นเสาหลักที่เขาปักเอาไว้ในการที่จะปูกสัตว์บ้างหรือในการที่จะใช้ในการเกี่ยวของแขวนสิ่งต่างๆซึ่งจุดที่เราจะใช้เป็นหลักในการที่เราจะตั้งสติขึ้นเนี่ยพระพุทเจ้าบอกว่าให้ดํารงสติไว้เฉพาะหน้าคําว่าเฉพาะหน้านั้นก็คือบริเวณด้านหน้าของเราอย่างนี้เราหลับตาลงเนี่ยคำว่าดํารงสติไว้คือให้จิตเนี่ยมาอยู่บริเวณนี้นะเจ้าจุดไหนก็ได้นํะอยู่บริเวณที่เฉพาะหน้า ไม่ว่าจะพูดถึงอนาปานาสติพุทธานุสติสีลานุสติกายคตาสติต่างๆนี่พระพุทธเจ้าจะเริ่มด้วยคำนี้เสมอคือดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณากายก็มาพิจารณาหลับตาลงกับพิจารณาอยู่ด้านหน้าเราเนี่แหละหรือพิจารณาถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทธานุสติหลับตาลงกับนึกถึงคุณของท่านกนึกถึงอยู่ที่ด้านหน้าเรานี่แหละในนึกถึงระลึกถึงตรงนี้บางคนอาจจะใช้บริเวณท่ามกลางอก นี่ก็เป็นด้านหน้าเหมือนกันเวลาเราตั้งสติขึ้นแล้วแน่นอนบางทีมันจะมีความคิดนึกให้จิตเราไปคล้องแวะบ้างเสียงบ้างความรู้สึกในกายบ้างหรือว่ากลิ่นที่มาแตะจมูกบ้างจิตของเราเนี่ยจะไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณในความคิดในความรู้สึกพูดง่ายง่ายคือผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจทีจนี้ถ้าบอกว่าเราเผลอลืมเพลินไป แต่จิตมันก็จะออกจากฐานที่ตั้งเพราะฉะนั้นให้เรามาตั้งสติของเราไว้ให้ดีในบริเวณด้านหน้านี้เวลาที่เราตั้งขึ้นแล้วแ น, น่นอนบางทีเราจะได้ยินเสียงแ น, น่นอนบางทีเราได้กลิ่นหรือเรามีความคิดก็อย่าให้ลืมหลงสติพระพุทธเจ้าใช้คำนี้บอกว่าไม่ลืมหลงสติคําว่าไม่ลืมหลงสตินั้นก็หมายความว่าจิตเราก็ยังตั้งอยู่ข้างหน้าตรงนี้แต่ถ้าใช้ลมหายใจก็ยังไม่ลืมลม ถ้าใช้พุทธานุสติก็ยังนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอาจจะได้ยินเสียงอาจจะรับรู้กลิ่นไปด้วยนั่นคือเหมือนกับสองด้านมันพยายามจะดึงอยู่ดึงจิตของเราให้ไปรับรู้สิ่งต่างๆดึงจิตของเราให้มาตั้งอยู่กับสติแต่ถ้าเราไม่ลืมหลงสติของเราจะมีสิ่งนั้นมากระชากดึงไปอยู่ก็จริงถ้าเราเอาจิตของเราเนี่ยไปใส่ไว้กับสติสติก็จะมีกาลังขึ้นมาสิ่งนั้นก็จะมีกาลังลดลงไป พระบรมเจ้าเคยตรัสไว้บอกว่าจิตของเราเนี่ยถ้าตรีตรึกไปเนเรื่องใดจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นคือจิตของเราถ้าเอาไปใส่ไม่ในจุดไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังมีกำลังขึ้นมาถ้าจิตของเราเอาไปใส่ไว้กับเรื่องเสียงเรื่องกลิน่นกลิ่นหรือเสียงนั้นก็จะมีอำนาจเหนือจิตจะมีพลังขึ้นมาแต่ถ้าจิตของเราเอามาใส่ไว้กับสติตสติก็จะมีกาลังขึ้นมาสติที่มีกาลังนี้จะรักษาจิต ไม่ให้วันไหวหรือว่าตกอยู่ในอำนาจของเสียงของกลิ่นนั้นเวลาที่เราตั้งสติขึ้นอย่างนี้เราสามารถทำได้ทั้งวันทุกเวลาไม่ว่าเราจะพูดคุยกับใครหรือว่าทำอะไรอยู่กินข้าวกินอาหารก็ต้องตั้งสติไว้อยู่ตลอดซึ่งลักษณะาการที่เราตั้งสติเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ทำเวลาไหนก็ได้จะได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงจะกินอะไรอยู่ให้อย่าเผลอเลอ หลงลืมสติอีกประการหนึ่งที่เวลาเราตั้งสติขึ้นเนี่ยเราอาจจะให้เห็นความไม่เที่ยงก็ได้ได้ยินเสียงอะไรเห็นก่อนไม่เที่ยงกลิ่นอะไรมาเห็นความไม่เที่ยงลัมมงลกษณะการที่เราเห็นความไม่เที่ยงในภัษาต่างๆที่มากระทบเนี่ยแสดงว่าจิตของเรามีสติรักษาอยู่แน่นอนเพราะนั้นให้ท่านบูฟังรายฝึกทําอยู่ตลอดเวลาเช้ากลางวันเย็นพูดคุยกับใครทําอะไรที่ไหนอยู่ในอิริบทใดไหนเป็นผู้ที่ไม่หลงลืมสติ ิจารณในความไม่ที่งอยู่เป็นประจำเจริญพรสาธุค่ะค่ะก็อนุโมทนากับทุกท่านนะคะที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการฝึกการเจริญสติหรือว่ามาเจริญสติพร้อมๆกันภายใต้การนำของพระมหาภัยบุญอภิปุญโนท่านเพื่อดนการสูดฤกษกเร้นวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นีผ่านทางรายการสนสัีสนทนาที่เอเ็มร้อยหกครอบครัวขานี้ วันนี้มีคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะคะรบแต่ว่าก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยบังเอิญเดฉันอยากจะพูดถึงซีดีที่เราแจกกันอยู่เพราะว่าไปพูดตอนท้ายๆรายการบางท่านก็อาจจะตระเตรียมไม่ทันสรุปของปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีแจกให้โดยให้ท่านทั้งหลายได้โทรศัพท์เข้าไปที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวหมายเลขโทรศัพท์ก็ศูนย์สองหนึ่งสองหกหกหนึ่งศูย์หกศูนย์สองหนึ่งสองหก หกหนึ่งศูนย์หไปแจ้งความประสงค์ที่นั่นและทางเจ้าที่ก็จะแจ้งต่อท่านนะคะว่าจะต้องทําอย่างไรกันบ้างจึงจะได้รับซีดีดังกล่าวนั้นค่ะท่านอาจารย์คะมีคําถามเป็นพระสูตรแปลกใหม่ที่ดิฉันก็ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะคะ อ, อ, อุดชานสัญญีสูตรอ่านว่าอุดชานะสัญญีสูตรไหมคะอุดชานะสัญญีสูตรช่อช้างเนี่ยก็จะมีจุดข้างล่างตรงภาษาบาลี ก็คือไม่ออกเสียงเป็นสระค่ะสำหรับที่มาของคำถามนี้เป็นอุชานะสัญยีสูตรที่ห้าใช่ยังขออนุญาตอ่านเลยนะคะเป็นคำถามของคุณหมูสิริพรซึ่งบอกว่าในพระสูตรอุชายาสันญีสูตรที่ห้าในหัวข้อหนึ่งศูนย์หกเนี่ยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเมื่อปฐมมยามล่วงไปแล้วพวกเทวดาผู้มีความหมายเพ่งโทษมากด้วยกันมีวันะงามอย่างพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วจึงได้ลอยอยู่ในอากาศเทวดาลอยได้เทวดาคนหนึ่งครั้นลอยอยู่ในอากาศแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสานักพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลใด ประกาศตนอันมีอยู่โดยอาการอย่างอื่นให้เขารู้โดยอาการอย่างอื่นบุคคลนั้นลวงปัจจัยเขากินด้วยความเป็นขโมยเหมือนความลวงเกินแห่งพรานนกก็บุคคลทำกรรมใดควรพูดถึงกรรมนั้นไม่ทำกรรมใดก็ไม่ควรพูดถึงกรรมนั้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมรู้จักบุคคลนั้นผู้ไม่ทำมัวแต่พูดอยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสคาถาทั้งหลายนี้ว่าใครๆไม่อาจดําเนินปฏิปทานี้ด้วยเหตุว่าสักพูดหรือฟังส่วนเดียวผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้มีฌานย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมารด้วยปฏิปทาอันมั่นคงนี้บุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายทราบความเป็นไปของโลกแล้วรู้แล้วเป็นผู้ดับ ก, กิเลส ข, ข้ามตันหาเป็นเครื่องเกี่ยวข้องในโลกแล้วย่อมไม่พูดโดยแท้ คำถาม น, นะคะอะไรคือปฏิปทานมั่นคงนี้อะไรคือเครื่องผูกของมารอะไรคือความเป็นไปของโลกอะไรคือย่อมไม่พูดโดยแท้อืค่ะโอเคอันนี้ยกพระสูตรมา ถ, ถามอันนี้คือตัวแม่บทอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าเวลาเราจะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับมาที่ตัวแม่บทเดิม แล้วพอกลับมาที่ตัวแม่บทเดิมเออเราไม่เข้าใจตรงไหนอาจจะไปสอบถามกับคุนนั้นคนนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะทํานำะคือมันจะมีอยู่2ลักษณะคือเราฟังได้คำฟังคํานี้มาจากอีกคนหนึ่งแตนะ่คนนี้ก็ว่าอย่างนี้นี้ เ, เราต้องกลับมาเทียบเคียงที่ตัวแม่บทว่าอ๋อมันตรงกับที่พระเจ้ท่านตรัสไว้โดยบทเรียนชนะ อ, อย่างนี้โดยอัตถา ย, ยัางนี้อย่างนี้ก็อย่างงี้คือกลับมาที่ตัวแม่บทนี้ในยะที่1อันนี้ดีแล้วในในยะที่สอง ก็คือพูดถึงว่างั้นเราเอากลับไปที่ตัวพระสูตรเลยเอ๊ะเราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ค่อยแตกออกไปแตกออกไปตรงนี้อันนี้คือลักษณะที่สอนที่คุณมูศิริปานีิถามมาพระสูตรนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15เล่มที่15นะเริ่มต้นที่ข้อหนึทีนี้พอเราอ่านพระสูตรตรงไหนเราไม่เข้าใจใช่ปะ่ะ <Okay. S 1> ในพระไตรปิฎกเนี่ยดีมากเลยที่ท่านจะมีคําอธิบายคําอธิบายนะ คำปฏิบัติที่จะอยู่ในในเนื้อรัไตรปิฎกตรงนีนะ้ซึ่งมัน <Okay. S 1> ก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นอัตคาถาอัฐฐาตคาถาทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนบริบทของเรื่องเนี่ยบางทีข้อมูลนี้อยู่ในอัตคาถาอัตคาถาอาจจะบอกบริบทว่ า, าผู้ว่าเป็นใครมีพื้นฐานยังไงเวลานั้นกี่โมงหรืออาจจะอธิบายขยายความว่าคำนี้หมายความว่าอย่างนี้คํานี้หมายความว่าอย่างนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่เราจะดูได้ทีนี้ว่าที่บอกว่าข้อมูลอยู่ในอัตคาถาเนี่ย ที่เรมาเคยคุยกัโยมติวนะว่าอัตกรถามันมีข้อมูลอยู่หลายชั้นมากตั้งแต่ชั้นที่ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลจนถึงมาในสมัยหลายร้อยปีจนมาถึงในสมัยหลายพันปีมันก็จะย้าๆกันอยู่ในตรงนี้ค่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นข้อมูลบางส่วนอาจจะไม่เป็นประโยชน์ข้อมูลบางส่วนอาจจะเป็นประโยชน์ น, นี้เราต้องเลือกเอาอ น, นี้ต้องเลือกเอาทีนี้พอเราไปดูในอัตกระถาเพื่อที่จะเลือกหาดูข้อมูลที่ตรงไหนจะมีประโยชน์เนี่ยในข้อมูลของ อุชานะสัญญีสูตรอัตตคตาแต่ท่านระบุไว้ในส่วนที่เป็นอัตตกตานะอันนี้คือสอนทั้งคุณหมู่ทั้งท่านผู้ฟังอื่นๆด้วยเนี่ยว่าถ้าเราต้องการหาข้อมูลบางที่ในอัตตคตาอาจจะมีข้อมูลที่น่าสนใจนั้นตรงนี้ตรงอย่างนั้นเลยนั้นในอัตตคตาตรงนี้เขาอธิบายว่าเทวดาตนนี้มีความเห็นว่าเอ๊ะสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำไมถึงบอกว่า ให้ห่มผ้าเนี่ยนะด้วยผ้าบางสุกุลสอนพระแต่ว่าให้ห่มผ้าบางสุกุลแต่ตัวเองเนี่ยห่มผ้า โ, โหเนื้อละเอียดอย่างดีนะเฮ้ยทำไมไม่เห็นพูดไม่เห็นทําเหมือนที่พูดอย่างนี้นะนี่ข้อที่1ตัวเองเนี่ยบอกสอนพระให้ไปบินบาตบเดินหาอาหารด้วยปลี่แกลงกองตัวเองแต่ว่าสมณครดมเนี่เอ้ากลับไปฉันในที่นิมนต์โอ้โหอาหารอย่างดีอย่างนี้นะนี่ข้อที่สองคือ แล้วข้อดีสาก็4แล้วก็กเรื่องปัจจัย4นั่นเองที่อยู่อาศัยบอกให้อยู่คนไม้อยู่ราบปา่าเอาทําไมตัวเองอยู่ในวิหาราสร้างไว้อย่างดีโดยอนนาถาวินิจกเศรษฐีไม่ได้เห็นอยู่ในราบปา่าหรือยารักษาโรคเอาทําไมไหนบอกให้กินยาดองน้ํามูนเน่าแต่ตัวเองกินน้ําพึ่งน้ําอ้อยซึ่งเป็นเภสัชห้าอย่างดาีลักษณะการกระทําอย่างนี้จึงเป็นคาถาที่เทวดาตัว น, นี้เขากล่าวขึ้นว่าทําไมพูดอย่างหนึ่ง นั้นลวงปัจจัยเขากินแต่ตัวเองประกาศตนอย่างหนึ่งแต่อยู่โดยอีกอย่างหนึ่งนี่นี่นคือจึงเป็นคําตามตรงนี้พิที่ที่เทวดาตรงนี้พูดอีกจุดหนึ่งที่พูดว่าเป็นคาถาคาถาเนี่ยนะคุณโยมติว๋วคําว่าคาถาเนี่ยหมายถึงคํากราบนะกราบที่หมายถึงเป็ น, เ ป, นเป็นร้อยร้อยกลองถูกไหมถ้าร้อยแก้วนี่คือพูดธรรมดาใช่ไหมร้อยกรองนี่คือเป็นลักษณะของโครงสี่สุภาพ กลอนแกลอนสหรืออะไรพวกนี้แต่ซึ่งในทางภาษาบาลีเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบของคําฉันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคําฉันตรงนี้ชื่อเขาจะเรียกว่าเป็นคาถาแต่ซึ่งมันจะมีความสวยงามในภาษาถ้าเรากลับไปดูที่ภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีจุดที่ลงรับกันเป็นคำํำที่เหมือนกับเป็นคำเหมือนกลอนแปดอย่างนี้นะแต่ว่าแพทเทิร์นเขาจะจะเป็นลันกษณะคําฉันเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าคาถา เ, เพราะฉะนั้นเวลา หลายๆครั้งมากเลยที่เรามาสังเกตดูเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คุยกับเทวดาด้วยคําที่เป็นคาถาคือเหมือนกับคนอารมณ์แต่งกร์ น, นะคนอารมณ์แต่งกร์เนี่ยมันก็จะมีคําพูดสละสวยสักหน่อยหนึ่งตรงนี้นะซึ่งเทวดาก็มากล่าวโจทย์พระพุทธเจ้าตัวนี้จึงเป็นชื่อของพระสูตรนี้เลยนะคำว่าอุจชานะเนี่ยคือแบบว่า เ, เพ่งโทษนะคำว่าอุจชา น, นี่นะเพ่งโทษ hmm. อ่ะก็ได้คำนี้ชาเนี่ยแปลว่าการเพ่ง อาจารย์ในบริบการเพ่งตรงนี้คือหมายถึงาการเพ่งโทษเทวดาเนี่ยมายกโทษของพระพุทธเจ้านะก็มายกโทษนี่คือเอาโทษของพระพุทธเจ้าที่ตัวเองเห็นเนี่ยเห็นถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ยกขึ้นมานี่ก็สับที่โดยการแปลโดยตรงเขาจะใช้คําว่ายกโทษในยกโทษนี้ไม่ใช่ว่าอดโทษนะซึ่งซึ่งจะมีพระสูตรนี้จะจะไม่ได้จบแค่นี้แต่จะมีต่อไปทีนี้พอ เทวดาตนนี้เขามายกโทษนะคือเพ่งโทษของพระพุทธเจ้าชี้เห็นวนะว่าการทำอย่างนงี้เป็นการเหมือนกับลวงเขากินนะเป็นอาการแห่งขโมยพูดอย่างทําอย่างเหมือนกับพรานนกพรางตัวเองเอาไว้พอเวลานกมาใกล้ๆก็ยิงเสียนะถ้าทำยังไงควรจะพูดอย่างนั้นพูดยังไงไม่ไม่ทำยังไงก็อย่าพูดอย่างนั้นบัณฑิตเขาน่าจะต้องเป็นอย่างนี้นี่คือคากล่าวหาของเทวดาตนนี้ คำกล่าหวหางเทวนาฏมีทีนี้พระปริชาก็ตอบกลับด้วยคาถานี้เหมือนกันคําที่เป็นคาถาที่คุณโยมติวานมันสุครูเนี่ยนะก็โดยด้วยปฏิปทาจ ะ, จะกระทำปฏิปทาด้วยศักแต่ว่าพูดเนี่ยไม่ได้ทีนี้ที่คุณมูสิริพรถามคําว่าปฏิปทาอันมั่นคงนี้คือหมายถึงมรรคแนั่นเองหมายถึงมรรคแนั่นเองข้อที่2คําว่าเรื่องผูกของมาร์ก็เรื่องผูกของมารหมายถึงกามนั่นเอง หมายถึงการนั่นเองแตนะข้อที่สามที่ถามว่าอะไรคือความเป็นไปของโลกนั่นะคือเรื่องทิฏฐิต่างๆผู้เรื่องโลกเที่ยงเป็นตัวตนคือเรื่องทิฏฐนะิทั้งสิบแตที่นี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้บอกว่าผู้ดับกิเลสข้ามตัณหาเป็นเครื่องเกี่ยวเนื่องด้วยโลกแล้วย่อมไม่พูดโดยแตะไม่พูดเนี่ยคือไม่พูดเรื่องปริยายของโลกนะว่ามันเที่ยงมันเป็นตัวตน เป็นเรื่องของกามจะไม่พูดเรื่องที่เป็นไปในเกี่ยวข้องกับทางโลกแต่จะพูดเรื่องที่เหนือโลกคือโลกุตละพระพุทธเจ้าจะพูดเรื่องนี้เรื่องที่เป็นโลกุตละแต่จะไม่พูดเรื่องที่เกี่ยวกับโลกพูดแค่นี้เนี่ยนะคุณโยมติ๋วพระส่วนี้ยังมีต่อไปที่ข้อ1 0อยเกและ1 1 1ยนะซึ่งใน <Okay. S 1> คุณคุณหมูไม่ได้โพสต์มาในคําถามแต่ว่าอนำมาไปอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสแค่นี้เนี่ยเทวดานี่ลงมายืนบนพื้นดิน แล้วก็มาหมอบใกล้เท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอโทษขอให้พระพุทธเจ้าอดโทษให้อดโทษให้ด้วยความ <Okay. S 1> ที่ตัวเทวดาเนี่ยเป็นคนพานเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดมาลุกลานพระพุทธเจ้าด้วยคําแบบนี้ขอให้พระพุทธเจ้าอดโทษให้เพื่อที่จะถึงการสรํารณมในระหว่างในเวลาต่อไปอันนี้เป็นเป็นคำที่เทวดาเขามากล่าวด้วยคําที่เป็นคําพูดธรรมดาอ่าที่น่าสนใจในพระสุนทรนี้ก็คือว่า เอาทำไมเทวดามายกโทษนะพระพุทธเจ้าเสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าตอบด้วยคาถาเดียวเทวดากลับใจได้มาขอให้พระพุทธเจ้าอดโทษให้อดโทษให้ในคําตอบนี้มีมีข้อความอะไรที่มันลึกซึ้งอยู่แ ต, แต่ตอนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยจะพูดถึงกันว่ายกโทษและอดโทษก่อนนะยกโทษและอดโทษเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจด้วยว่าบางทีเวลาเราอ่านข้อมูลในพระไตรปิฎกเนี่ยฟังแล้วคาศัพท์มันจะง ง, งงไม่เหมือนกับที่เราใช้ในปัจจุบันตรงนี้ก่อน เพราะว่าเวลาเราพูดว่ายกโทษให้เธอนะคําว่ายกโทษให้เธอเนี่ยคือถ้าเธอมาทําผิดต่อฉันอาฉันให้อภัยตรงนี้หมายความว่าอย่างนี้แต่พอมาในพระไตรีิฎกคาว่ายกโทษเนี่ยคือเป็นความหมายที่ไม่ดีเพราะว่าเขาแปลมาจากภาษาบาลีคือเอาโทษเนี่ยยกขึ้นมาชูขึ้นมามันมันจะไปดีมันไม่ดีแต่คําว่าอดโทษคําว่าอดโทษนี่ไม่ใช่ว่าให้อภัยคําว่าอดโทษเนี่ยคือหมายถึงว่า ถ้าโทษมันมีอยู่เนี่ยขอให้ท่านอดทนมาจากคำว่าคมะธาคือขันติ ค, ความอดทนนั่นเองแตนะ่ถ้าเราไม่อดทนสมมุติว่ามีใครสักคนใดคนหนึ่งมาทําความผิดกับคุณโยมติ๋วอย่างเงี้ย น, นะแล้วเขาก็จะมาขอโทษคุณโยมติ๋วใช่ไหมคุณโยมติ๋วก็จะให้อภัยเขาแตนะการให้อภัยเนี่ยไม่เหมือนกับการอดโทษนะอดโทษก็คือว่าสมมติเขาม่ทำผิดกับคุณโยมติว๋วคุณโยมติ๋วก็อดทนไว้ไม่ให้โทษเนี่ยมันลุกลามใหญ่โตไปไม่ให้เป็นการผูกเวร อันนี้คือคุณโยมตีว่าอดโทษให้เขาอย่างนี้นะอ่า ม, มันจะไม่เหมือนกันนิดหนึ่งเพาัพพพพ้นพอทำความก็จะในเรื่องภาษาเลยเราคุยกันต่อไปได้ค่ ะ, ะข้อแรกเทวดาเนี่ยเขาปูกเป็นคาถามาเนี่ยประเด็นที่เขาปลูกมาก็คือขโมยนะขโมยกินเหมือนกับลักษณะของปลาโ น, นกทําอย่างหนึ่งไม่ทําอย่างหนึ่งแล้วก็อย่าพูดสีว่าตัวเองทําหรือไม่ทำสามประเด็นนะคือหนึ่งขโมยกิน 2. องอทำก็กล่าวว่าทำไม่ทำก็บอกว่าอย่าทำนี่นี่คือประเด็นที่เทวดาเขายกมาผู้เรีชางเนี่ย <Okay. S 1> แก้ทุกประเด็นในนะั้นด้วยคําถามอันเดียวกัน <Okay. S 1> ข้อที่1เรื่องของความว่าหลวงคําว่าหลวงเนี่ยท่านตอบด้วยลักษณะของการที่คือเครื่องผูกคือมานนี่เป็นเครื่องหลวงมานเนี่ยคือกางเครื่องผูกของมันคือกามนะเรื่อง <Okay. S 1> กิเลสเนี่ยมันจะเป็นตัวหลวงไม่ใช่ว่าแค่สักแต่ว่าพูด ไม่ใช่แค่สักแต่ว่าพูดนะแต่ว่าสิ่งที่ลวงจริงๆเนี่ยคือกิเลสคือกามพวกนี้เป็นเครื่องลวงนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่สองที่บอกว่าทําอย่างไรก็ควรพูดอย่างนั้นไม่ทําก็อย่าพูดในประเด็นที่สองนี้พระพุทธเจ้าตอบด้วยว่าถ้าอะไรที่เป็นเรื่องทางโลกท่านก็จะไม่พูดที่แบบเกี่ยวเนื่องด้วยโลก ก, ก็เลยไม่พูดแล้วไอ้สิ่งที่แบบว่าจะมาลวงเขาด้วยราคะโทสะโมหะ หรือจะมาลวงเข้าด้วยเรื่องของกามท่านจะไม่พูดนี่นี่ก็ที่และในประเด็นที่3าม ป, ปาุโรเจ้าก็ยังพูดถึงว่าปฏิปทาที่มั่นคงปฏิปทาที่มั่นคงตรงนี้ตั้งหากที่จะเป็นเครื่องที่จะประกาศตัวเองว่ามีคุณธรรมอย่างไรไม่มีความหลอกลวงปฏิปทาตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ทำาคือเรื่องของมรรคทีนี้พอเราฟังแค่ตรงเนี้ยเราจะพบว่า เรื่องราวต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียวเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าตอบเทวดาเนี่ยเทวดาเขาจะเข้าใจกันง่ายมากตอบด้วยคาถาสั้นๆเนี่นยเข้าใจละปรับความเห็นทิีิเปลี่ยนละพูดสั้นๆก็เข้าใจกันดีอย่างนั้นแล้วก็พอเทวดาตนนี้เข้ามาขอโทษพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าอดโทษให้แล้วก็มีเทวดาอีกตนหนึ่งก็มายกย่องพระพุทธเจ้าแหลว่า เ, เป็นผู้ที่มีเมตตามีปัญญามีสติ ก็ว่าไปพระสุตนี้ก็จะจบที่ข้อหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอุชานะสัญญีสูตรค่ะข้อข้อนี่คงมาใส่ทีหลังใช่ไหมคะเพื่อให้ง่ายการค้นคว้าถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็คือข้อนี้เขาใส่มาตั้งแต่เป็นเป็นภาษาบาลีมาเลยก็คงจะเมื่อสักพันพันปีก่อนค่ะคือใส่ทีหลังเมื่อมีพระไตรปิฎกใใช่เพราะว่านยุคพระพุทธองค์นั้นไม่มีเข้าใจไห้โอ้อันนี้เป็นตัวอย่าง ของการที่ศึกษาประทาคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วบางครั้งในความเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้รอบแล้วก็ยังมีการใช้ถ้อยคำที่มาจากภาษาบาลีซึ่งจะให้ความหมายที่ถ้าคิดตรงไปตรงมาแบบภาษาไทยล้วนๆอาจไม่เข้าใจการที่ได้ฟังรายการแบบนี้ โดยมีประสงค์หรือว่าผู้ศึกษามากๆอย่างท่านเพบู์มาช่วยตอบเราก็ช่วยบรรเทาได้เยอะทีนี้ท่านคะสมมุติเกิดฟังแล้วไหมสงสัยต้องฟังซ้หละคำตอบนี้อยากจะฟังให้ชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งเวลาเราก็น้อยหลือเกิดไปฟังที่ไหนดีคะที่เว็บไซต์ p i ีย t ธรรมานทมที่ท่านผู้ฟังส่งคำถามมานี่แหละทูร <c oughs> ีดหามม m ค ดันั้นสามารถที่จะฟังย้อนหลังโพสต์ post, ถามคำถามหรือว่าอ่านเรื่องราวบทความอะไรต่างก็มีได้ที่โ น, น่นนะคะค่ะวันนี้ก็คิดว่าเวลาเราคงจะพอแค่คำถามของคุณหมูนะคะที่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสชัดเจนมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ถึงว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ประพฤต ปฏิบัติเนี่ยบางทีคนภายนอกค่ะจะมองว่าท่านพูดอย่างทำอย่างก็ว่าทานโทษนะคะที่ถ้าจะให้สรุปง่ายๆแบบนี้ก็จึงเกิดการเหมือนมาสบประมาทท่านแม้กระทั่งเทวดาก็ยังมาทำแบบนี้ดังที่อยู่ในคำถามอ่าก็เรียกว่าการยกโทษขึ้นมาค่ ะ, ะการยกโทษคือเอาโทษจะมาป้ายให้ถูกไหมคะาภาษาแบบบาลีนะค ะ, ะยกขึ้นมายกขึ้นมาพูดเนี่ยซึ่งมัน ไม่ใช่เป็นโทษแต่คุณเล็งเห็นเพ่งมาแล้วคุณคนละยกขึ้นมาเนี่ยค่ะถ้าจะว่าไปเป็นภาษาปัจจุบันนี่ก็จะจะเรียกว่ากล่าวโทษนะท่านภาษาปัจจุบันน ะ, ะโจดเอ่อกล่าวโทษเอะเป็นโจดมาฟ้องอย่างนี้ยนะใช่ค่ ะ, ะเป็นลักษณะนั้นะและพระพุทธองค์ก็เลยชี้แจงอืมดิฉันใช้คํานี้เลยนะคะใช่ว่าเนี่ยปฏิปทาที่ท่านทําอยู่เนี่ยลําพังเพียงพูดนะี่ยไม่ได้หรอกต้องอปฏิบัติถูกไหมคะ ผู้มีปัญญาทั้งหลายจนกระทั่งเกิดปัญญาเนี่ยถึงจะพ้นเครื่องผูกของมารด้วยปฏิปทาอันมั่นคงแล้วผู้มีปัญญาทั้ง ห, ทงหลายทราบความเป็นไปของโลกแล้วรู้แล้วเป็นผู้ดับ ก, กิเลส ข, ข้ามตันหาเป็นเครื่องเกี่ยวข้องในโลกแล้วย่อมไม่พูดโดยแท้ไม่ต้องพูดเลยถ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทางนี้คือคือตรงนี้ถ้าถ้าเราดูอ่านเฉพาะตัวคาถาที่บุริชาตอบนี่ยนะย่อมไม่พูดโดยแท้เนี่ยคือคืออาจจะเข้าใจไปว่า ถ้าฉันไม่ได้เป็นอย่างเธอฉันไม่ตอบก็ได้อย่างนี้นะคือฉันจะไม่ได้เป็น<ะ>อย่างเธอกล่าวหาเนี่ยฉันก็ไม่พูดหรอกคือไม่ได้ไปพูดสมมติเขามากล่าวหาว่า เ, เราขโมยกินแต่เราไม่ได้ขโมยกินทำไมจะต้องไปพูดกลับเขาต่อก่อนเขาอย่างเงี้ยอาจจะเข้าใจไปอย่างนั้นซึ่งในที่นี้พระพุทธเจ้ามีความหมายลึกไปกว่า น, นั้น<ะ>ลึกไปกว่า น, นั้นคือท่านจะไม่พูดเรื่องที่เป็นไปทางเกี่ยวเนื่องด้วยปริยายของโลก วาโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีตัวตนบ้างโลกมีที่สุดบ้างพวกนี้ท่านจะไม่พูด<ะ>เรื่องนั้นแต่ท่านจะพูดเรื่องธรรมะอย่างเงี้ยคะ่ะท่านคะในกรณีการพูดในลักษณะนี้ของพระพุทธองค์นั้นทรงหมายความถึงพระสงฆ์ทั้งหลายด้วยไหมคะว่าต้องไม่พูดในเรื่องโลกโลกในเรื่องที่ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีะมีพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่มาในสังยุตตนิการนี้เหมือนกันได้กล่าวถึงเรื่องโลกเรื่องโลกเนี่ยนะ ว่า <Okay. S 1> โลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรกล่าวเพราะว่าเป็นเรื่องขวางหนทางธรรมขวางนี่เขาใช้คำว่าติระฉานคือเดรฉ า, านสันเ <Okay. S 1> ดรฉ า, านนี่มันไปทางขวางนะ ค, <Okay. S 1> คือขวางกับโลกมันจะเป็นขวางหนทางธรรมแต่เวลาพูดให้พูดเรื่องอริยสัจสี่ <Okay. S 1> และตบท้ายคําว่าอดโทษอีกครั้งหนึ่งที่พระพุธองได้ตรัสนั่นหมายถึงตัวพระพุทธองค์เอง จะอดกลั้นอย่างนั้ น, นอเปล่าค่ดั้ไม่ให้เป็นโทษไม่ให้โทษเนี่ยเป็นการปลูกเวรหรือไม่ให้เอาไปพูดต่อว่าพูดถึงโทษของดิฉันอย่างนี้น ะ, ะท่านก็จะอดโทษไว้แล้วก็จบไปค่ะท่านคะขออีกนิดนึงนะคะที่จะเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ไม่ทราบว่าการที่ท่านจะเดินทางมากรุงเทพซึ่งเป็นโอกาสมีค่ามาก ของวันที่19สิงหาคมกับวันจันทร์ที่ย2บสองมาแสดงธรรมเนี่ยนะคะเปิดให้คนอื่นได้ฟังด้วยไหมคะที่ฉันจะได้ประกาศสามารถสามารถไปฟังได้าานะคะงั้นขออนุญาตที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าวันศุกร์ที่19สิงหาคมนี้เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งที่มหาวิทยาลัยมสวนะคะประสานมิตรศรีนครินทรวิโร์ประสานมิต ร, ร, ร, ร, รเนี่ย จะมีการสนทนาธรรมหัวข้อการเจริญสติคือการรักษาระธรรมวินยัยที่จะมีพระสงค์สามรูปพระสงค์สองรูปใช่ไหมคะสองรูปแล้วก็คราวาดหนึ่งท่านก็เชิญ น, นะคะที่ชั้นสองอาคารวิจัยและศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรส่วนอีกวันหนึ่งคือวันจันทร์ที่ย2สิบสองสิงหาคมอันนี้เปิดไหมคะเปิดจาจัดที่โรงแรมแต่ที่โรงแรมสามารถไปฟังได้อ๋อคะ่ะก็ เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งจะเป็นการแสดงธรรมบรรยายโดยท่านพิบูล ร, รูปเดียวนะคะ เ, เรื่องธรรมะโอสถมิติการเยียวยาด้วยด้วยใจที่โรงแรมตะวันนากรุงเทพมหานครห้องประชุมคริสเซลบอลรูมค่ะค่ะก็ต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะนมัส ก, การค่ะเจานพระฝังที่ครบคะ่ะและทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นรายการศาสนาสนท น, นาวันนี้เราได้ฟังพระสูตรที่หาฟัง ได้ยากนะคะแต่ก็ทำให้เราได้ความรู้ที่พิเศษไปกว่าที่ผ่านมาคืออุจชาสัญญีสูตรที่สําสำหรับวันนี้ก็คงพอควรแก่เวลาแล้วนะคะที่ั้นสัสมมนาพมก็ลาท่านฟังทุกท่านไปเพื่อที่จะกลับมาพบใหม่ในวันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ผูทวนสวัสดีค่ะ